สองอยากกลาบเป็นคำถามปัอืาคือเม่ไดมีใครนัเรยนใหม่กคือเมือเ่อคืนพระการเทถึงว่าจาิตสมัธิเนี่ยเป็นอวิชานีอันนี้เพราะว่าทำสมาธิจนได้ความสุดในสมาธิแล้วติตอยู่ใช่ไหมครับติดยังต้สมาธิแน้แต่ปัญญากันยังรปติต พระรัตนนี้มันเป็นพรนะรัตนอคือพระรัตนของเรกวัชเชอแห่งครบแ ท, ท, ท, ท้คืออันนั้นเป็นพระรัตน์ที่เวลาพอคิดเดิมมัจริงๆเป็นอย่างนั้นนะคิดเดิมจะหมายถึงว่าเดิมของวัตจักรนั่นหมายถึงเดิมที่บริสุทธิ์แล้วนะมันเปลี่ยนละ อาศัยอะไรพิเจอนเข้ามาอะไรเข้ากับเรืของที่คิวามพุงเองง่ะานเข้ามากัอย่างจเข้ามาด้วยไปเห็นรูปเป็นอย่างนั้นได้ยินเสียงเป็นอ่งั้นความทุ่มเญของเราเนี่ยเอาเข้ามาเอเข้ามานี่คือว่าพิเลศจานเข้ามาจามาด้วยอี่เราที่เราไปว้าเอาว้าเอาจากรููจากเสียงนี่ได้ินองนั้นเข้าใจอย่างนั้นทุ่มอย่างั้นทุ่มเของเราคมาเป็นเรื่องของพิเรศที่เข้ามาหาเจของนี่คือว่าพิเรจานมาจันอย่างนี้เมื่ออยู่เรศามาให้อย่างนั้นนะ ก่รนมาจากเราที่ออกไปกล้ า, าไปหาลูกโมกกระฮาเสียงออกไปแล้วมันไม่ได้เฉยเหยนีออกไปแล้วมันต้องออกไปหาเรื่องามากนักคังไงนะนั่นแหละมันเอาเรื่องมันกเข้ามาเพื่อมันก็เลยมาเอาเป็นแตกจริงแต่คะแนนออกไปมันไม่อยู่นล้วนเฉพาะมันเลยแตกจริงแตกคะแนนไปเรื่อยยุ่งไปหมดความ กฎอวิชาโดยความมันก็ไม่ปรากฏอะไรมันอันนี้มันปกคุมไปหมดแล้วนี่ล้วเกิดจากนี้เองมันก็มืมห่อไปค่อยูใจเลยมีความความผ่องใแล้วก็ไม่เห็นไม่รู้แต่ตัวเองเราเข้าใจว่าพอเขาสอนอยู่คนที่ไม่รู้มันก็เข้าใจเอาเองปัญหามันมันคุมซะจนมาคุมซะจนไม่รู้เลยพระพุทธเจ้าบอกว่าเดิมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหละคือเพราะเราไม่รุ่นเอง นอกจากนั้นไอไอ้ไอ้มันของใหม่เนี่ยมันมาปกคุมเขาอีกมากมายผาไม่รู้เวลาคาละเข้าไปครานี้มันจะเข้าไปถึงตรงนั้นไม่ใช่มันนะคือมันเข้าโดยการคำละของเราเนี่ยคำละเข้าไปคำละเข้าไปคำละเข้าไปาเข้าไปมาา ไ, ป ม, ไปม่ได้เข้าไปถึงตรงนั้นคือผู้บัญชาการเขทราบเองจริงไม่ต้องใหพ้พระพุทธเจ้าบอกว่างั้นพูดง่ายๆนะมีพระพุทธเจ้าบอกโดยที่พวกเราไม่ไม่รู้เลยไม่เคยรู้เลยว่างั้นเนี่ย ที่พองคบอกงนั้นเน่ะเมื่อพอเราปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเขาไปไปถึงนั้นเราก็รู้เองว่ามันผ่องสแต่ส่วนที่เราจะรู้ว่านี่อวิชชาหรือไม่อวิชานั้นเจะมีแน่นึงมันก็รู้ว่าผ่องใสรู้คว้าแล้วนี่ความมั่บเลยไม่ยอมปล่อยงอนจว่าจะว่าอะไรสมาธิอะไรติดหรือหรือว่าปัญญาติดไม่รู้หรอกปัญญามันก็ไม่ท้ายไปถึงนั้นแล้วมันยอมเลยดีวมันเป็นองค์รักอันนี้เลยมันลักกานี้ ไม่อะมาแกะต้องไม่อะไรแตะต้องมันตัดถึงกว่านี้มันรักษานีกศาสนาพุทธสอนนะวเออพระพุทธศาสนาวนปัญญาันไรกายเป็นองค์พระลักษณอนี้มันต้งกามันไม่ได้ทอทํางายเข้าใจเรื่องนอืมเนี่ยพระพุทธสอนทางภาคปฏิบัติคือคือมันแก้เขาไปแก้เขาไปตัดเขาไปจนมระั่งถึงพรวพุสอนนั่นอันนี้เห็นได้ชัดแล้วก็ไปติดตรงนั้นใช่ตรงนั้นทีนี้วิธีที่จะ ทำลายเศรษระาสอนนี้โผล่มาที่นั่งชิดเพียวนักเรียนใหม่ก็เอ๊ะเราใช้เครื่องมือใสลักษณะยานกับแต่สมุไทัยปัจจานี้คืออันนี้การทุตัานรัฐศากับดูว่าให้เห็นว่าเป็นราคาตุลัโมหาที่ต่ำมันเป็นหลงอะไรเฉลิเราแค่ดูมันก็เหมือนเราเราดูสถาปัตยกรรมอื่นเองก็ ขึ้นความโกรธเกิดขึ้นเราไปดูโลกของความโกรธเวทนาที่เกิดขึ้นจากความโกรธก็คือทุกเวทนาเมื่อเกิดขึ้นเราก็ดูดูเพ่งเล็งกำหนดดูเราไม่เห็นว่าความโกรธเป็นเราเราเห็นว่าความโกรธที่เป็นธาตุิดต่อเราเมื่อตามถือเป็นธาตุิดเป็นเรวเขาไม่ว่าเราเป็นธาตุกับตามแต่เราก็ว่ามันต่างเรื่องธาตุการังนั้นหนึ่งนะเราก็ต้องต่อสู้การต่อสู้คือการกําหนด ว่ามันจะเคลื่อนไหลไปยังไงกลองไงความโกรธนี่ผลของความโกรธมันเกิดขึ้นมาข้ามโกรธมันวูบเยอะขนาดไหนแต่ผลมันแสดงขึ้นอย่างคือความที่ร้อนในตัวเองนี่เป็นผลของความโกรธแล้วความทุกข์นั้นมันจะปรากฏอยู่ภายในจิตแล้วกำหนดเลยอ่ะมันเกิดขึ้นมาจากความโกรธความโกรธเกิดขึ้นแลมันดับหรือว่าความโกรธจะไม่ดับมันก็มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าความโวรธมันมันละล้าไกลอันนี้มันก็ยังต้องมือกําหนด ดูดูนั้นน่ะเด็ปัญญาของเราเนี่ยจะจะจ้างก็เป็นปัญญาเพราะจ้างสังเกตเนี่ยถ้าแต่พยาวนี่ก็คอยจางระจางไปเราก็รือการกําหนดจ้งอย่างนั้นน่ะเราไม่มีโอกาสที่จะไปไปไปโกรธอะไรรายได้ใช่ไหมละ่ะเพราะจิตทับหน้าที่อันเดียวเห็นโทษในที่แล้วมันย่อมไม่ําเริบในการในระยะต่อไปเราจะไม่เห็นโทษแล้วมันก็พุ่งไปเรื่อยคือเราเห็นสมมติว่าเราโกรธแ้่ น, นี้ ที่เราไปเทีเ่ยเรื่องแบบนั้นมันก็ยิ่งเสริมขึ้นเรืเ่อยๆความความปวดกระเสริมความทุกข์กระเสริมนีเพราะว่าอันนี้ไม่ไม่ใช่เป็นเป็นไทยความัวต่างหากเป็นไทยมันย้อนกลับมาเป็นเขาจ้อนกับมาถึงก็ปวดไทยมันก็พี่นาความโวดการะพัดสอนที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของหลงหลงไม่กระตุที่ว่าหลังจากจีนาแล้วไปติดสสอนติดพสอนนี่ ถ้าจะทำลายคิดที่พระพุทธสอนอย่างนี้ก็ต้องต้องใช่เช่นเส้นเยวกับเรากำหนดกําหนดเรื่องความโกรธนะเครื่งเร่งอยู่นั่ น, นอันนี้เป็นอะไรอย่างที่ว่านะทีนี้เป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาถึงเป็นจังขังกัดเช่นรูปอนิจจังทุกขังหน้าตาเจตนาเป็นจังทุกขังหน้าตาเตนาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาทีนี้มันก็รู้เท่าไปหมดแล้วเพราะการพี่ยิงาวเรื่องจังทุกขังหน้าตานะ แล้วอันนี้เป็นอะไร น, นั่นก็เหมือนกันตำรวจก็ไปทีนี้มันก็ไม่นอนใจกับอันนี้เมื่อว่าอันนี้เป็นอะไรแล้วก็เป็นข้อสงสัย้นมาแล้วก็มีข้อสังเกตตั้งขึ้นข้อสังเกตขึ้ น, น, น, น, น, นจิด ม, นะ ม, มันก็จ้องนั้นปัญญาเขาค่อยสังเกตรู้ว่าการสังเกตหรือการพิจารานมันเรื่องของปัญญาอปัญญาอย่างนี้อย่างยากของปัญญาอย่างเดียวเพปัญญาอย่างนี้ปัญญาในคันนี้มันไม่แค่ปัญญางจะคิดั้งเปลี่ยนแปลอะไรตอนนั้นมันเพ่งมันเด้งมันกำหนดมันสังเกตดูมันอะไรตอนเราเป็นอยู่นั่นแหละ มันเหมือนกับความเพ่ง น, น, นะแค่นี้พอเพราะมันยังน้อ ย, ยแล้วปัดามันก็สามารถซึมกับเรามากให้นานกระจายเลยเราถึงรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็น น, นะคือไอ้ไอ้ไอ้เชอกเพราอนนี่มันไม่ใช่ปีรังผ า, า, าวอลเพราะมันเป็นสมมุติเนี่ยมันก็สลายกป็ตัวมันไปได้ถ้าว่าเป็นความจริงนะี่มันกลายไม่ได้แอ่คือเป็นตัวจริงกิ จ, จวัตรกิจก็สลายไปไม่ได้ ไอที่ดูแลไอ้ตัวอาวัชารสอนเนียทุกมันคลาดผิดอยู่เนี่ยมันสลายไปความรู้มันยังไม่เห็นสลายไอ้ความรู้นี้มันยังมันยังเด่นกว่านั้นอีู่เพราว่าหนีร้อยเท่ากับไม่เท่าแล้วทั้งทังที่เราก็ว่าอันนี้มันวิเศษสุดเลยถึงต้องรักขึ้นขงหวนขนาดถึงปัญญาขั้นนั้นมันยังไม่ยอมทีจะน่ามันก็แสดงว่ามันขนาดไหนว่ากันจนนะมันยังยอมถวายตัวเป็นลูกศิษย์เข้าใจไหมถวายตัวเป็นลูกศิษอวิชชาจนถึงนานอืม แล้วที่นี่นี่แหละที่เรามันความต้องขันก็เองว่าขนาดว่ามันรุ่งเกิดขนาดไหนไม่อย่างนั้นมันจะไปสมวังไปรักษายังไงมันต้องท้ันอยู่มากของมันถ้าเรื่องทั้งๆที่เราว่าอันนี้สมบัติหน้าพอปัญญากําหนดเข้าไปที่นะเข้าไปอันนี้สลาเข้ไปอันนั่นขึ้นมาแล้วถึงเห็นโทษว่าโอ้โหโหเนี่ยนะคือเห็นโทษของความหลงอันนี้นะเหมือนกระกองขี้ควายแท้ๆนะแล้วอันนี้จะเป็นอะไรเมื่อเห็นแต่ก่อนว่าอันนี้เป็นอริจจัน์แล้วบ่างกายเป็กองขี้ควายแบบอันนี้จะเป็นอะไรที่ดู นั่นแหละความสูงกับการคุณค่ความพิเศษกับการมุทิตาอย่างนั้นพอทครังเราจะไปตั้งความอยากอะไรก็ตามถ้าตั้งความอยากลงไปอยากให้มันดับเนยนั่นแหละมันงพิ่กิเลสมันไม่ดับอ่มันเอาิเเขาไปไปฆ่ากิเลสมันจะฆ่าไเาเรียกเข้าไปเลครับมันก็ช่วยกันลทีใช่ไหมหรือต้องมาทาไปฆ่าเนี่ยจะกิเลสไปฆ่ากิเลสมนไม่ได้ต้องเสริม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 อาจจะหลงได้อ๋อไม่สงายตั้งหลงนั่นเลยนั่นเลยไม่จะพูดอย่างอื่นแล้วมันไม่ถนัดใจว่าตั้งหลงนั่นัเลยอืมตั้งหลงนอกจากจะได้รับกคำแนะนำจากครูอาจารย์ไปแล้วถึงจะขนาดไหนก็ตามที่เกิดขนาดไหนก็ตามมันเราเชื่อที่ครูอาจารย์พูดอย่างนั้นความเชื่อนี่มันเลยมีกําลังมากที่จะต้องพิจารณานั้นได้นะอืถึงจะแท้ใดขนาดไหน ความที่เราเชื่อครูบาอาจารหรือเชื่ออาจเชื่อธรรมที่ท่านสอนมันนี่มันเหนือกว่านี้มันก็ต้องยอมไปกินน่ะเหมือนอย่างคนหลงทางทางนี้เตียนลุงทางนี้ลกรถามว่าจะไปบ้านกอไปบ้านไหนทางไปบ้านกอไปสายนี่บ้านไหนไปบ้านขอเราอยากไปบ้านขอแต่ว่าเขารู้ทางเขาบอกเราเ้าจะขุดในบ้านขอไงมันก็ไม่ถูกบ้านกอที่เขเราอยากไปบ้านกอทางนี้มันรกลุงลังไม่อยากจะไปแต่ก็ ถ้าเขารู้ทางนี่ถามเขาเข า, าบอกเขต้องฝืนไปตามนั้นมันก็ไปเจอบ้านกอดตามคำประสงค์หากว่าเจ้าตามใจลของเรโดนบ้านขอแล้วบ้านไหนบ้านงอไปเรืเ่อยเรื่อยหายเงียบไปเลยเนี่ยหมายถึงว่าความเตียนโลกนี่คือความเป็นสิ่งที่เราชอบใจใช่ไหมล่ ะ, ะลแล้วกุ้งลังเราไม่อยากไปอันนี้มันมันกระองไส่เนี่มันก็เหมือนเตียนลกอ่งางนวอย่างมันก็อยากไปตรงนี้คืออยากยึดไม่อยากปล่อยว่า ว่าแล้วจะแค่สมาธิก็ยังติด <c> ต <oughs> ้องมาดูที่ละเอียดที่ไหนเป็นอิตสงบตัวเข้าไปมันไม่ถึงขั้นนั้นนะมันยังติดนั้นจนสมาธิไมันเป็นสมาธิกาตา็ตามมันเป็นอย่างนั้นคือจิตทำหน้าเข้าไปถึงขั้นนั้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันจะเฉาๆบ้างจะเศร้าบ้างมันก็เศ้าตามความละเอียดของมันมันไม่เข้าอย่างแบบจิตธรรมดาหรอกลอง ไม่ทำไมลักษณะเขาเศร้าเยความเศ้าเกับเวทนาก็เกิดขึ้นด้วยกันเนี่ยทุกเวทนาตามขั้นของมันก็เหมือนคือมันทุกเวทนาละเอียดมันผิดกันไอ้จิตของเรานีเศร้าเนี่ยมจะต้องเกิดทุกเวทนาขึ้นแล้วมันละเอียดด้วยกันไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกอย่างธรรมดาเรานะเป็นทุกตามขั้นของมันตามขั้นละเอียดในทณานี้แยกไม่ออก สามกษตรเนี่ยเขเรียกมนออกมานายเราัามเษรทุกเกษตรน้าเปนมาการจองมันเหียวกวาเชื่หมอมันเหี่ย ว, วอ่ะทุกประุกัลเทา น, นาเวยมาันี่อันตอนนี้ยิ่งสำคัญทำให้เพิ่มไปเลยมันเหี่ยวแล้วยิ่งสบายเพิ่มไปเลยนะย อา้าเขารยืดเข้าไปสุกไปธนาเข้ามาอีกยิ่งหลับไปเไปไปขอ้าไผมปนขั้นๆอย่นี้นะเข้าใจไหมอืมเป็นขั้นๆอางนี้พอสุกไปธนาไปยิ่งหลับไปเลยเดียวไม่ยอมสลัดนี่จิตมันต้องมีดีสามตายก็มีอีสามอย่ก็มีดสามเมื่อเข้าไปขั้นละเอียดมันต้องรู้เิื่องอะไรมาเกี่ยวข้องมันก็รู้ แต่อแต่รู้ไอหนี่ไม่ใช่บอกพอรู้แล้วมันจะหาทางไปได้นะรู้แล้วมันมันก็เพิ่มไปอีกเหมือนกันนี่ใช่ว่าไวอืมมันเคลิบมันหลับไปได้เหมือนกันแต่มันมันรู้มันพอรู้เดี๋ยวก็แกงมันได้มีทางแกงมันก็ได้ที่นั่นอ่ะอ่ะหญิก็เข้าใจได้หรือเข้าอืม เวทนาเนาะมายุกายเวทนาต่ในหมาุงอิเวทนาอายุกายวิชิลอวิเวทนาของมันกันมีลักษณะกายในกายนอกเวทนาในในนอกแจมันยังอธิบายเรื่องเวทนานอกมันอธิบายตามเบญจอธิบายเวทนาก็าดีมันขัดกันดีกับเราปฏิบั มันก็คู่มือ่นะเราไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยในฐาน้อง ก, ก็หมายถึงการเวทนานบ้างเงินนะในเรื่องภาพปฏิบัตินะในทานะนาย น, นี่หมายถึงกิจเวทนาแหะ น, นั่นเขางี้ําไม่ไปอื่นแล้วมันก็ถูกการสืดที่จะ แ, ะแนนก้ด้วยใช่ไหเในฐานะคนอื่นมัรู้ด้วยว่าเขาอะไรเนี่คนาานั้นทำรองเดียวกันเราเอ e, ฮิปาริโกท่านจงมาดูทรามของกิง่าให้เขามาดูอะไรนี <c> ่เ <oughs> นี่ยมันขัดกันอย่างนี้เคือ ท, ที่ตรงไหนขัดเราบอกว่าขัดขาาาการภาพฏภาพปฏิบัติเพราะเราก็รู้อย่างนั้นนี่ เราจะไม่เราพูดได้ยังไงเราต้องพูดว่านันเลยเองปบาติโกท่านต้องมาดูเรียกเขาเขามาดูของจริงเรียกให้มาดูเดี๋ยวเขาจะเอาคอนแต่นอกขาไปเลยเขาไม่รู้เรื่องนู้ราเช่นจะเรียกไอสุนทรคันมาดูแล้วท่านจะโยนเข้ามันมันดูเรียกเขามาดูทำเดี๋ยวมันกัดหัวเอาอคนที่ใจมันใหญ่นั้นมีใช่ไหมเองบาติโกท่านไม่ได้หมายงั้นเองปติโกมันท้าทายท่านอยู่นี่นาท่านจงดูนี่นาว่าของไหวงั้นต่างหากนี่ คือผู้ปฏิบัติผูสนใจอยากจะรู้ความจริงในนี้นความจริงมันาักอย่างาดูหน้าดูคงีหน่าว่างั้นต่างหางนี่หลักปจิบัเป็นอย่างนั้นผู้หญิงถ้าถูกรอไปก็แล้วที่นาว่าอย่างก็จะควรจะไปหาเราอยกมาเดี uh ๋ยวจะเป็นอาจารย์ฉิมในารลรายบาแล้วเพื่อใคท่านเลแล้วยังอือนี่เขาล้คานล้วั็สําเร็จแล้วเขาอยู่ที่ไหนเาท่าเล่แล้วไปไม่ได้เทศวันทวันไหนครับเว่ายังไม่สําเล็เขา้าไปแล้วเขาทํเข้าเขเข้าไปแล้วนะเทศตอนท่านละทายบาทนันเพิ่งจะเที่ยงก็ไม่ไดัดมง นี่ไอ้พระเจากแบบนี้แล้วแบบเขาบ้าดีๆนัน่น <c oughs> จนเขาเห็นนี้หมดเขามองเห็นมานั่น น, นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้ามานันขนนกขาอกว่าไงคือท่านจะกลัวที่ถ้าเหเป็นโรมาะไรอย่างอื่นซึ่งพอหายจากปวดนังหลังแล้วมันก็มาแลวก็เป็นเรื้อลังจะเป็นแบบนั่นแหละทาการศินเราเนี่ย <c oughs> วินสบายไม่ลกบบ ล, ล, ล, ลกับ้าได้ง่ายแล้วไม่กลับไม่ง่ายครับเพราะแค่สอนคนจะทำ หนหนาทาที่ไหนก็างพวองเห็นขั้นหลนแล้วยังคืออตาตมาน่งสาเร็จแล้วคุยง่ายอาตมานี่งสำเร็จแล้วคนนี้สำเร็จแล้วย่งก็เร็แล้วสาเร็จขั้นบ้าไม่ใครไม่อยากเป็นบ้าแล้วก็เป็นหนียู่บ่านเลยเห็นสเร็จแล้วเขาพิเศษเนี่ยเอ๊ยไ่โกแบบนี้ใครอยากได้เหรออาพี่อาจารย์พูดมีควา ม, ม, ม, มจริงมาลองเขมี น, นายเองเอะโกนี่ใครพูดปฏิบัติทำก็ใครอยากลุกความจริงในค ของจริงมันท้าไทยนี่สัจจะทมอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ท่านรู้ที่นี่นั่นความหมายว่าอย่างนั้นแล้วเราพิจารณาที่นี่มันก็รู้ีจริงๆเนี่ยคือว่ากายในกายนอกหรือว่ากายในกายนอกเราจะพิจารณาคนคนอื่นแล้วก็เพราะพิจารณาได้เงราะวสนเรื่องในนนอกร่หมายถึงกายจิตใจทางเท้าปฏิบัติเองเป็นอย่างนีนึงนะอันนี้กายในกายนอกอย่้งเงี่ยเราได้ปรากปรด้ในเรา กายนอกนีหมายต้องการอันหยาบนี่ที่กินนานมีคอยบรรแก้มีแล้วมันมีอันหนึ่งเป็นผ้าอหนึ่งอยู่ภายนาจิตมันจะมันมาทีนานภัยนาจิอยู่เป็นผ้าไม่อยู่อย่างนั้นหรอกเราพิจารณาไปงั้นนะนี่เราก็แน่นของเราอย่างนี้อีกเหมือนกันภจะค้าทค้านเถิดคนรู้อย่างนี้คืกผ้าแบนี้มันมันปล่อยผิดในขั้นขั้นที่ปล่อยกายนี่ปล่อยกายนี้หมดไปแล้วที่นี่มันก็เอาผ้าของกายนี่เนี่ยเข้าเนภัยนาจิตแต่ไม่ยอมพิจารณากายนี้ มันมังค่อยๆทีทีนะภาพคือออกจากการนี้เข้าไปอยู่ในจิตแล้วมันกำหนดนี่ภาพนี่หมดไปก็ยังเหลือภาพนี้เขากำหนดภาพนี้ไปหมดแล้วนั่นแหละเป็นอากาศสภาพว่างหมดจรินนะเพราะนั่นนะที่แรกมันยังไม่ว่างเพราะภาพนี found, okay? here, rainbow, right ้หายไปภาพอยากภาพแต่ภาเหยียดเข้าอยู่ภาในจิตมันก็หมดปั๊บมันเข้าอยู่ในกิตแต่ใช้จทานี้มันไม่ยอมเข้าอยู่ในจิตนี่ก็ไม่นานมันก็มันก็หลายเดยตั้งเป็นภาพมันก็สลายกันงเพราะนานเขานานเขามันสลายหลายสลายหมดเลยแต่ออกมามันว่าง ในททาธาเุการปฏิบัติห น, นึ่งว่ากายใ น, ในกายนอกก็เป็นอย่างนี้ของเราออกจากการปฏิบัติรู้จากการปริบัติจริงเป็นอย่างนี้อค่นี้พอพอธาพภายในจิตนี้มันหมดไปที่จิตมันว่างโดยหลักธรรมชาติขงมันเองคือว่างการรรมชาติมันหลับว่างการพัฒน์ขอตัวเองตำรวจอะนี่ก็ว่างดยกันหมดทีนี้แม้แต่ทศลาในนี้มองในงนี้ตามองพอเป็นลางๆเป็นเงาๆนั่นแหละไอ้จิตมันทะลุไปหมด แผนดินทั้งแผ่งกหมันกันดินอยู่แผ่นดินนี้ก็หมดนี้มันรุกไปหมดด้วยความว่างติดมันมันั้่มีอะไรเหลือเลยว่างไปหมดภูเขาเหมือนว่างหมดคุนชูว่ารุสุรามบ้านซ่องัี่มีสี่ขั้นว่างไปหมดธุรกิจนี่เองเป็นผู้ว่างอันนั้นเขก็มีอันนั้นเระจะว่าว่างเขาว่างหรือไม่ว่างไม่มีปัญหาอะไรให้ตัวเองนี่ยหลปหาเรื่องอยู่เขาแต่เขาเป็นเขาเบนี้ยงว่าง ย่างแล้วทีนี้เอาอีกนักจึิงนี่ยตอนเนี้ยตอนที่เราเนี่ยเขาก็ว่างหมดอะไรก็ว่างหมดอืาเหมือนกับคนที่ขึ้นไปอยู่บนหอวตอนขยิบดูหัวตอนมองที่ไหนก็ว่างหมดว่างหมดไอ้กลงนี่มันไม่ว่างกลงขึ้นมันไม่ว่างนี่จะว่างอะไรเราอยู่กับหอวตอนระยิบบนหัวตอนี่มองอะไรอะไรก็เลยมีไม่มี่ีนี่หัวตอนนี้ทำไมไม่มี จะตาเราไม่ได้เข้ามาดึงใช่ไหล่ะมึงไปนู่นนี่คิดมันก็รู้ออกหนอมันเลยรู้ตัวเองนี่ภายนอกมันว่างกินแต่ตัวเองยังไม่ว่างเลยตัวเองนี่แหละที่จุดที่ขาดโดยชั้นว่างโดยพ่มันย้อนเข้ามาตรงนี้ภาพมันเปิดออหมดเลยงานหมดปัญหาเลยว่าอะไรว่างอะไรไม่ว่างเลยหมดปัญหาเพราะวงกันหมดภายในก็หมดภายนอกก็หมดงา เคยยกข้เปี่ยนเ่ออะไรกางแล้วไม่้หอว่าห้องเนี้ยขนของให้หมดในห้องนี้ขนน้องของให้หมดอ่ะไปดูห้องหมดแล้วเอาไปดูที่ห้องนี้ว่างหรือยังห้องนี้ว่างไหมปุ๊บปั๊บก็ไปยืนอกลางห้องมองเลยว่างหมดไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรท่านยนของห้องอยู่นั่นหนักมันว่างอะไรหรือท่านยินของห้องนั้นท่านอยากให้ว่างห้องว่างท่านออกมาที่พออกมาปุ๊บห้องว่างน่ะก็คือหมายความที่นะอะไรแล้วมันว่างหมด ให้ตัวจิตไม่ว่า ง, ง, างตัวเองนั่นคุณง่ายๆกหนดเข้ามาที่นี่ที่อกเ่ถอนตัวนี้ออกอีกอันนูสิิความถืจิตไมเป็นตนอย่างนี้นนนอ น, นั้นไม่ถือว่าเป็นตนัวนตกระดามแต่นี่มันถือเป็นตหนึงถอนไปให้เทั้งหมดหงมันก็ว่างไอที่อยู่ไหนมันก็ว่างถ้าจะของว่างและถ้าจะของว่างอยู่ไหนมันไม่ว่างยมันยุ่งงั้นแหละอย่าบนไม่มากคนน้อยดำจิงเจียมใยุ่มี